เราขยันมาวัดนะได้ยินไหมเหมือนที่หลวงพ่อหูอื้อไว้ข้างกะไม่ถูกเสียงดังแค่ไหนขยันมาวัดไม่ก็ดีนะแต่ว่าอย่าขยันมาวัดจนไม่มีเวลาภาวนาควรต้งเวียน มีกิจกรรมทั้งวันกระทั่งกิจกรรมเกี่ยวกับวัดเช้าเข้าวัดนีส้สายไปอีกวัดอะไรตระเวนไปเรื่อยๆธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดธรรมะไม่ได้อยู่ที่พระอยู่ที่ใจเรามีสติสังเกตใจตัวเองไปเดี๋ยวธรรมะมันจะแสดงตัวออกมา ธรรมะมีทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลเกิดที่จิตทั้งนั้นอย่างรอบโกรธหลงก็เกิดที่จิตเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอลไรเกิดที่จิตทั้งนั้นนั่นธรรมะอยู่ที่จิตเรานี่เอมวแสวงหาที่อื่นาหาไม่เจอหลวงพ่อ ต่งแต่เป็นโยมนะตังแต่เจอหลวงปู่ดูลน์เนฝะ้ารู้เฝ้าดูจิตตัวเองไม่เลิกเลยจะเห็นนะจิตแต่ละวันไม่เหมือนกันในวันเดียวกันจิตแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกันดูละเอียดเข้าไปนะ่มันจะเห็นนะแต่ละขณะจิตก็ไม่เหมือนกัน ขณะที่เราเห็นรูปจิตเราก็เปลี่ยนแปลงขณะที่เราได้ยินเสียงจิตเราก็เปลี่ยนแปลงขณะที่จมูกได้กลิ่นจิตเราก็เปลี่ยนแปลงขณะที่ลิ้นกระทบรสจิตก็เปลี่ยนแปลงขณะที่ร่างกายมีอะไรมาสัมผัสจิตเราก็เปลี่ยนอย่างนั่งอยู่ดีๆอากาศคำลังร้อน ลมเย็ยนเย็นโชยมาจิตก็ เ, เปลี่ยนลจิตพอใจอากาศกำลังหนาวลมเย็ยนเย็นพัดมาจิตไม่พอใจหรือนั่งอยู่สบายๆยู่มกัดจิตก็โกรธขึ้นมาสื่อที่มาสัมผัสทางตาก็ทำให้จิตเราเปลี่ยน สิ่งที่สัมผัสทางหูทางจมูกทางลิ้นทางร่างกายก็ทำให้จิตเราเปลี่ยนทางใจนับางทีจิตกคิดเรื่องนอนคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์เนี่ยจิตมันเปลี่ยนแปลงตามความคิดไปอีกคิดถึงคนที่เรารักสุขหรือทุกข์คิดถึงคนที่รักสุขหรือทุกข์ให้ว่าสุข ใครว่าทุกข์อย่าพูดทางทฤษฎีนะคิดถึงคนที่เรารักนะถ้าความรักมันสมหวังมันก็มีความสุขนะคิดถึงคนรักเรามันหนีไปรักคนอื่นแต่เรายังรักมันอยู่นี่ทุกข์ที่สุดเลยนะอย่างคนคนเดิมเราคิดถึงเขาแต่ละวันนะความรู้สึกเรายังไม่เหมือนกันเลย กระทั่งเพื่อนเราสักคนนะบางวันเรานึกถึงเขาแล้วเราก็รู้สึกสบายใจบางวันนึกถึงแล้วมั่นไส้เองความรู้สึกมันเปลี่ยนความคิดกระทบใจความรู้สึกก็เปลี่ยนนี่าการปฏิบัติงานถ้าเราอยากได้ผลได้เร็วนะคอยเฝ้ารู้ใจของเราตามรู้ใจไป ใจเรามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะผัสสะมัมีอยู่ตลอดเวลากลารกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางใจก็ส่วนมากกระทบความคิดตาเพาทบรูปหูก็กระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งมอกระทบ ถ้าอ่านใจของเราไปเรื่อยๆนะไม่ยอมเลิกนะอ่านไปอ่านไปเนี่ยบางทีจิตมันรวมเข้าไปมันไปพักผ่อนงิ่งถ้าเรามีสติตามรู้จิตไปเรื่อยๆเนี่ยสมาธิก็เกิดได้หงพ่อก็เคยเป็นตอนนั้นพายุไเข้ากรุงเทพยิบสามกันยาสองห้า พายุเข้ากรุงเทพหนักเลยเลิกจากทํางานออกจากที่ทํางานมาเนี่ยพายุไปพัดสะเปียกไปทั้งตัวเลยกลางรนะ่มเนรร่มก็พับไปหมดเลยพังเลยเข้าไปหลบฝนอยู่ที่กุฏิพระใกล้ๆที่ทํางานไปนั่งกอดเข่าอยู่ไม่นั่งผับเพียบนั่งผับเพียบมันกินพื้นที่เยอะตัวเราเนี่ยเปียกโชกเลยครัวกุฏิพระจะเปียกมาก นั่งกอดเขา่ากาเดี๋ยวตอนฝนมาซาเราจะเช็ดพื้นแล้วเราก็ไปตอนนั่งกอดเข่าอยู่นะใจมันคือกักงวลขึ้นมาถูกฝนที่ไรก็เป็นบัด ท, ทุกทีสงสัยจะต้องเป็นบัดอีกแล้วใจกังวล น, นะว่าจะเป็นบัดมันเห็นความกังวลของใจนะจิตรวมปุ๊บเลยแทน ท, ที่เราดูสภาวะาอยู่นะ เรากะเลิกลปกติเราเห็นสภาวะมันก็เกิดดับเกิดดับเราทำวิปั ส, สนาไปตอนนั้นอยู่ๆจิตรวงพุ๊บเลยนะฟ้ากำลังพา่าพายุกำลังแรงต้นไม้กำลังหักโคลงกรามเลยรนะสิ่งเหล่านี้หายไปหมดจากความรู้สึกเราร่างกายเราก็หายไปเหลือแต่จิต ด, ดวงเดียวมีความรู้สึกเหลืออยู่นี้เดียวความรู้สึกตัวเหลืออยู่นี้เดียว ไม่มีความคิดอะไรเลยถ้าใจนั้นจิตมันก็พัฒนาของมันต่อไปเปมนไปเห็นสภาวะข้างในทำงานไปรายงานหลวงปูด่ดุว่าผมดูจิตอยู่อยู่ๆจิตมันเคลิ้มเคลิ้มลงไปไปบอกท่านว่าเนี่ยจิตมันเคลิ้มเคลิมลงไปหลวงปูหบอกว่าจิตมันเข้าสมาธิ หพ่อก็แยงท่านนะบอกว่าผมไม่ได้นั่งสมาธินะผมนั่งดูจิตมันทำงานอยู่หลวงปู่บอกว่าการดูจิตเนี่ยเราจะได้ชาญโดยอัตโนมัติงี้นถ้าเราเข้าชาญไม่เป็นก็ไม่ต้องตกใจมีสติตามรู้จิตใจตัวเองไปเรื่อยๆรู้สบายๆายไม่เคร่งเครียด แต่ถึงเวลาไหวพระสวดมนต์ทำทุกวันหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรอะไรก็ทาของเราไปทุกวันทุกวันแต่ตอนที่จิตมันจะเข้าสมาธิมันเข้าของมันเองเราไม่ได้เจตนาเข้ามันเข้าได้เองอย่างพวกเราให้ไปเจตนาเข้าสมาธิไม่เข้าหรอกใจมันฟุ้งเก่งคนรุ่นเราเนี่ยจะเดิน ปฏิบัติธรรมด้วยการเข้าสมาธิก่อนแล้วมาเจริญปัญญาทีหลังเนะี่ยโอกาสสาเร็จนยากเพราะเราเข้าสมาธิไม่ค่อยได้งั้นเราเจริญปัญญาไปก่อนดูใจที่เปลี่ยนแปลงจิตใจที่เกิดดับไปเรื่อยๆถือจุดหนึ่งจิตมัเข้าสมาธิเองนี่เป็นเรียกว่าใช้ปัญญานำสมาธิการปฏิบัติแนละ้วเราต้องดูต้นทุนของตัวเอง เรามีต้นทุนแค่ไหนอย่าเราไม่มีต้นทุนในการทำฌานหน้าตาแต่ละคนเนี่ยไม่มีแววจะเข้าฌานเลยนะมีแต่ฟุ้งซ่านวันวันหนึ่งก็กระทบอารมณ์วุ่นวายตลอดเวลาแล่วเราก็ต้องเริ่มฝึกจากสิ่งที่เราทำได้ไม่ใช่เริ่มฝึกจากการเข้าฌานอยู่ๆไปเข้าฌานกนะี่ปีจะทำได้หลายปีนะฝึกกันหลายปีทนไม่ไหวหรอกคนยุคนี้ เราเริ่มจากปัญญานำสมาธิหลวงปูดุลเคยบอกหลวงพ่อนะว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองการปฏิบัติมันมีสองแนวใหญ่ๆที่ดูกายกับดูจิตก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะลงมือปฏิบัติตามหลวงปูดุลเนะี่ยไปที่ไหนที่ไหนก็ได้ยินแต่คำว่าดูกายพิจารณากายอย่างสายอาณาปณะสติ หลวงพ่อพุทธธาตุธรรมนาปัญสติท่านพ่อลีธรรมนาปัญสติอารนาปัญสติก็กายนะพองยุบในเจ้าคุณโชตกวัดมหาธาตุดูทองพองทองยุบมันก็ร่างกายขออยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนมันก็กายสายอาพิธรรมเนี่ยเราก็ดูกายกายมันนั่งกายมันยืนกายมันเดินกายมันเราก็เพ่งกายนะคอยจ้องอยู่ที่กายมีใจไปคนดูอยู่ ไปที่ไหนที่ไหนก็มีแต่คนดูกายพอหลวงปู่ดูลย์บอกหลวงพ่อว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองตอนแรกหลวงพ่อไม่เห็นด้วยกับท่านนะแต่ไม่โตกว่าครูบาอาจารย์ฟังเฉยๆแต่ในใจนึกว่ามันจะรุ่งเรืองมากกว่ารุ่งเรืองนะมันจะรุ่งเรืองได้ไงมีเราฝึกอยู่คนเดียวอะไม่เห็นมีใครดูจิตเลยผ่านวันผ่านเวลามานี้พบว่า การดูจิตมันรุ่งเรืองจริงๆทําไมมันรุ่งเรืองไม่ใช่พ่อหลวงพ่อสอนเก่งนะมันเป็นเพราะเศรษฐกิจเราเปลี่ยนสังคมเราเปลี่ยนแต่เดิมเราเป็นสังคมเกษตรชาวบ้านปีหนึ่งเนี้ยทํานาทํานาอยู่ปีละครั้งไม่กี่เดือนหรอกเวลาที่เหลือเนี้ยว่างไม่มีอะไรทําชีวิตก็ไม่มีอะไรกระทบกระทั่งนะ เหมือนๆกันทุกวนักวนคนที่อยู่กับความธรรมดาเรียบง่ายแบบเนี้มันทําสมาธิง่ายจะให้เข้าไปดูจิตเหรอเขาจะดูจิตแล้วเขาจะเห็นอะไรจิตมันเฉยๆทั้งวันสบายๆอยู่งั้นทั้งวันเม็นไม่มีอะไรให้ดูเราะนั้นกรรมฐานที่เหมาะกับเขานะคือการเข้าฌานและมาดูกายเราั้นกรรมฐานที่สมัยครูบาอาจารย์สอนโลปูมั่นสอนนะี่ ท่านพุโทโธจนจิตสงบได้สมาธิแล้วมาดูกายมันเหมาะกับสังคมยุคนน้นสังคมยุคนี้เป็นสังคมเมืองไม่ใช่สังคมเกษตรอีกต่อไปแล้วแล้วก็ก้าวล้าไปเร็วเหลือเกินนะสังคมเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเหลือเกินทุกวันนี้วิถีชีวิตของเราก็เปลี่ยนอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงสิปียีสปีนี้วิถีชีวิตเราเปลี่ยนไปหมดลว แต่ก่อนเนี้มีเงินแล้วก็ไปตั้งร้านขายของขายของดีกว่าทำนาใช่ไหมเป็นพ่อค้ารวยกว่าทำนาตอนนี้ร้านขายของเจ๊งอะไเนรนาศเลยกรทั่งห้างใหญ่ๆจะอยู่แทบไม่ได้แล้วคนมาซื้อขายผ่านมือถือกันหมดแล้วผ่านแอปกันหมดแล้วธุรกิจบางอย่างอยไปโซนีนะแต่ก่อนเป็นที่รังเกียจรซณีเ น, นี้ยเมื่อก่อนมันอยู่ในการสื่อสาร ตอนที่จะปรับปรุงกิจการภายในนะการสื่อสารไม่เอาไฟเสนีเพราะไฟเสนีเป็นตัวทวงมีไต้ขาดทุนนะไล่ใยเสนีออกไปให้หากินเองการสื่อสารทำโทรคมต่างๆไ น, นะโทรค ม, ม่อเกิดขึ้นมากมายหลายเจ้านะในขณะที่ไฟเสนีนะแต่เดิมไม่มีคนเอาไม่อยากได้ไ ไล่ออกมาเหมือนมาเลเซียไล่สิงคโปร์ออกไปะสุดท้ายสิงคโปร์รวยกว่ามาเลเซียเนี่ยไปสีดียจากที่ขาดทุนแล้วกไรพียงเป็นพันๆล้านเ พ, พราะอะไรแต่เดิมเนี่ยดูแล้วห่อเหี่ยวมากเลยนะทตละเลขก็เจ๊งตละเลขมันเริ่มเจ๊งแต่แต่เรามีตัวเล็กๆอะเรียกอะไรแผกลิงโฟนลิงอย่างน้ิงลงทั้งหลายตัวเลขเจ็งเลย เมื่อก่อนทีวทีโทรศัพท์รวยนะปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยกำไรหลายหมื่นล้านกระทั่งโทรศัพท์อยอดตั้อโทรศัพท์หยอดเหรียญ น, นะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยกำไรเจ็ดสิบแปดิล้านเดี๋ยนี้ก็เหลือแต่ตู้เอาไว้ให้ซุปเปอร์แมนเปลี่ยนเสื้อเท่านั้นแหละไม่มีใครเข้าหรอกเนี่ยมันเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยน ธุรกิจที่เคยบูมหล่นลงมาธุรกิจที่เคยแย่บูมขึ้นมาคนไหนปรับตัวได้ก็อยู่รอดคนไหนปรับตัวไม่ได้ก็ เ, เจ๊งไปแล้วเจ๊งเลย ม, มากนะธุรกิจธุรกิจกระดาษเนี่ยเคยยิ่งใหญ่มากตอนนี้ต้องไปทำกล่องทำอะไรนะจะเคยทำกระดาษขายดีไปสณีในนี้รวยทำหน้าที่ส่งของไม่ส่งจดหมายเพราะไม่มีใครส่งจดหมายกันแล้ว ใครจะมานั่งส่งจดหมายใช่ไหมเมื่อก่อนสมมตนว่าแฟนเราไปเรียนอเมริก า, าเขียนจดหมายไปแอร์เลสเตอร์ส่งเลือบินไปด้วยซ้ำไปนะว่าจะกลับมาที่เราเนี้ยเดือนหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็กดกันชิคชักชิคชักเนี่ยธุรกิจล้มมาเป็นแถบๆนะบางตัวใย่างไลีส่งของคนซื้อขายออนไลน์เยอะ เขาหากินได้าหากินได้ดีคนอื่นก็มาตั้งแข่งแล้วก็ต้องสู้กันไปเลยไดย้เดี๋ยวนี้รถมีทั้งรถไฟฟ้ารถบนดินรถใต้ดินอะไรเยอะแยะการดำานิชีวิตก็เปลี่ยนไปหมดวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วนียใครมันจะมานั่งสมาธิมันนั่งไหวเหรอมันนั่งไม่ไหวหรอก กำเรานั่งพอจิตจะรวมนะจิงมาแล้วหลายข้าวแล้วไม่ดูก็ไม่ได้ใจมันคันเนอะดูซะหน่อยอ๋อสวัสดีวันจันอบ้าบ้านกูกว็วันจันร <c> ะ <oughs> บอกทำไมก็ไม่รู้ไร้สาระจริงเน <c oughs> ี่โอกาสที่เราจะทำสมาธิแบบรุ่นครูบาอาจารย์เนี่ยมันยาก กรรมฐานเนี่ยมีสองสายใหญ่ๆนะสายกายกับสายจิตเดิมสายกายเนี่ยครองตลาดคล้ายๆเป็นธุรกิจที่คลองตลาดได้อามูลชนไปหมดเลยเพราะค น, นะมีเวลาชีวิตร่มเย็นเป็นสุขนั่งสมาธิแป๊บเดียวก็สงบละแต่ทำมาปั้นเดียวนี้หลายปีนะครูบาอาจารย์ฝึกสมาธิหลายปีพุทโธกัหลายปีกว่าจะเริ่มพิจารณาร่างกาย พอทำสมาธิจิตรวมแล้วเนี่ยถอยออกมาจากสมาธิเนี่ยจิตมันจะว่างๆท่านถึงต้องดูกายไปดูจิตไม่ได้เพราะจะไม่มีอะไรให้ดูมันจะว่างๆใครเข้าฌานได้ตอนออกอยากฌานมาเนี่ยจิตมันจะสบายอยู่ยงั้นเฉยๆอยู่ยงั้นตั้งนานบางทีทรงอยู่อย่างนั้นเจ็ดวันถ้าเราเข้าสมาธิลึกๆลกนะถอยออกมาเนี่ยเย็นช้ำอย่อยางเงี้ยอาทิตย์หนึ่ง จะมานั่งดูจิตก็เย็นตลอดนะไม่มีอะไรให้ดูความเปลี่ยนแปลง้าดูกายเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะนกรรมฐานทาความสงบแล้วมาดูกายนีย้เป็นสมาธินำปัญญาเหมาะกับคนรุ่นหนึ่งรุ่นเราเนี่ยทำสมาธิยากมีแต่เรื่องวุ่นวายชีวิต ต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใครเปลี่ยนแปลงช้าก็เจ๊งเลยธุรกิจเราอะวันนี้รวยนะอีกวันตื่นขึ้นมาเจ๊งแต่ล้วก็ได้มีเมื่อก่อนนะเยอะแยะเลยเศรษฐกิจกำลังบูมก็มโดนโจมตีข้างเงินบาทนะจากรวยพันล้านก็เป็นหนี้เป็นหมื่นล้านอรอย่างเงี้ยพังพินาศเลยในเวลาข้ามคืน ชีวิตยุคนี้เปลี่ยนแปลงเร็วดังนั้นใจรอให้ใจสงบเลยเนี่ยไม่ยอมสงบหรอกเราต้องห่วงตัวเองเอาตัวรอดให้ได้แต่ละวันแต่ละวันบางทีมานั่งเข้าฌานแะลเข้าไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ไม่อยู่สู้เขาไม่ได้ก็ล้มละลายไปกระทั่งหมอนะต่อไปจะลําบากนะเดี๋ยวเนี้ยเริ่มมีเทคโนโลยีที่จะตรวจคนไข้ได้เก่งแนละ้วเริ่มมีแนละ้ว พยาบาลเมื่อก่อนนะเจาะเลือดเดี๋ยวนี้มีหุ่นยนต์เจาะเส้นเลือดน่ะจะไม่มีผิดเลยพัวพัวพทีเดียวจอดเรียบร้อยต่อไปก็จะมีหุ่นยนต์วินิจฉัยโรคตัดสินให้ใส่เลยตรวจแป๊บเดียวเนี้ยคนนี้เป็นโรคอะไรทุกวันเนี้หมอของเราเก่งเฉพาะทางยิ่งหมอคนเดียวตรวจเนี่ยอาจจะไม่ถูกก็ได้ หมอคนนี้ชำนาญด้านนี้ตรวจเป็นโรคนี้ที่จริงไม่ใช่อะม่มีโรคอื่นที่อาการคล้ายๆกันเริ่มรู้สึกไหมปัญหาอย่างนี้เริ่มเกิดขึ้ น, น, นเนี่ยแต่หุ่นยนต์เนี่ยข้อมูลมันเยอะมันรู้จักทุกโรคเลยมันวิเคราะห์ได้ได้แน่นกว่าแล้วต่อไปมันสั่งยาได้ด้วยนะแล้วหมอจะทำอะไรอะหมอตบจุง้ง ธนาคารไหมพนักงานธนาคารเพื่อขอนรวยนะเด็กนี้เขาปรดออกเยอะแยะเลยเขาใช้ธนาคารผ่านมือถือกันเนีชีวิตที่เปลี่ยนเร็วไม่มีเวลาทำสมาธิดอกหัวแต่นั่งสมาธินี่อาจจะล้มละลายไปแล้วเพระนกรรมฐานที่เหมาะคนรุ่นนี้นะคือการดูใจของเรา การที่ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนรวดเร็วก็คือมีภัสสะใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาพอมีภัสสะเกิดขึ้นที่ไรใจมันกระเทือนทุกทีดีใจบ้างเสียใจบ้างไม่ต้องทําอะไรหรอกแค่ดูหุ้นเนี่ยเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจทั้งวันนใจแปรทั้งวันแต่ไม่แนะนํานะว่าเล่นหุ้นแล้วจะมาดูจิตอ่ะไม่ว่าเรารไม่เคยเห็นใครสําเร็จสักรายเลย ส่วนมากก็สุดท้ายก็โทร ม, มานัดเวทนาคราบงาหมดเรื่องหมดแรงนะพรุ่งนี้จะกินอะไรอะไรอย่างนี้แย่ไปพยายามหากินในทางที่มันมั่นคงหน่อยนะเดี๋ยวนี้ทำงานอย่างเดียวไม่พอแล้วนะต้องทำหลายๆอย่างคนหนึ่งอนะ่ะเห็นไหมชีวิตมันลำบากขนาดนี้เพราะอะไรมีสมมติววทำงานอยู่ห้าอย่างเช้าทำอย่างนี้สายอย่างนี้กลางวันงนี้กลางคืนอย่างนี้ทางานหามลูกหามค่า เผื่อตัวหนึ่งเจ๊งเผื่อสองตัวเจ๊งยังเหลืออยู่ชีวิตเป็นอย่างนี้แล้วนะถึงยุคนี้เพราะฉะนั้นการดูจิตเนี่ยมันเหมาะกับคนรุ่นเรานที่หลกงูโดนท่านดูเนี่ยท่านดูท่านพูดออกมาเนี่ยมันเป็นโซลูชันของท่าน อ, อกมาการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองเดี๋ยวนี้สังคมเกษตรสังคมชนบทเนี่ยแทบไม่มีแล้ว แต่ทางบ้านนอกนะมันก็คือสังคมเมืองแต่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดหน่อยกลายเป็นเมืองไปหมดละหมู่บ้านมันก็เป็นเมืองสังคมเมืองเป็นไงอย่างดูหมู่บ้านโคงดาราเนี้ยเช้าขึ้นมานะรถจากโรงงานก็นมารับคนไปทํางานหมดละหมู่บ้านครับจะร้าง เ, เหมือนในกรุงเทพอ่ะหมู่บ้านกลางวันนี้ร้างเลยคนไม่อยู่บ้านกันพระต่อไปก็จะอยู่กันไม่ได้ ก็ไม่มีคนใส่บาตรคนใส่บาตรก็คือคนแก่ที่ไม่ได้ไปทํางานนะหนุ่มสาวเนี่ยพอเช้าขึ้นมาตะลีตาลานออกจากบ้านไปหมดละไม่มีใครมาใส่บาตรหรอกเนี่ยพระว่าหลวงพ่อมียี่สิบนะวินทะบาตได้เนี่ยพอชันเนี่ยนะสองโมงสามโมงเท่านั้นไอ้ที่เหลือเนี่ยอยู่ได้เพราะว่ามีแม่ครัวมีอะไรอย่างนี้วัดอื่นก็เป็นแบบเดียวกัน คนใส่บาตรนี่น้อยลงเรื่อยๆตอนที่เหลืออยู่สี่บ้านสี่เจ้าที่ใส่หายไปไหนตายไปแล้วหรือคนใหม่ๆไม่ใส่หรอกเพืานพาระก็ต้องปรับตัวมันต้องปรับตัวหมดทุกอย่างเลยทุกกลุ่มเลยสิ่งที่เราเคยเห็นทุกวันนี้กำลังหมดไปซิ้นไปอย่างรวดเร็ว คนก็จะโหยหาอาดีตเวลาจัดงานย้อนยุคอะไรไนดะ้ชอบมากเลยหนังย้อนยุค ก, ก็ดีคนชอบดูอนะเนยเพราะจริงๆทนะุกอย่างมันสูดไปอย่างรวดเร็วใจเราปรับตัวไม่ได้มาลายอวรหรวอพ่อปรับตัวได้นะอย่างไรก็ได้พยายามดูจิตดูใจเราไป สิ่งที่มากระทบเนี่ยรุนแรงรวดเร็วข้อมูลข่าวสารที่พวกเรารับในหนึ่งวันเนี่ยในวันเดียวเนี่ยหรือสองวันอย่างมากสามวันเถ้าว่าข้อมูลข่าวสารที่คนสมัยอยุทยารับตลอดชีวิตเขาเขาวิจัยกันแต่หลวงพ่อผมรู้มันวิจัยมาได้ยังไงนะรู้ได้ไงว่าคนอยุทยารับข้อมูลแค่นั้น ในขณะที่ข้อมูลมหาศาลเนี่ยทุ่มเข้ามาเนี่ยใจจะสงบไหมไม่มีทางยั้นทำในสิ่งที่เราทำได้นะใช้ปัญญานำสมาธิพวกเราเดี๋ยวนี้หากินด้วยสติด้วยปัญญาทท้งนั้นแหละไม่ได้หากินด้วยเรื่องแรงใี่ไหมเมื่อก่อนหลงพ่เคยเจอผ่านมายุคหนึ่งนะใ้เรือเดินทะเละมันเปลี่ยนไปใช้ตู้คอนเทนเนอร์เคยเห็นไหม ถ้ามาเมืองชนจะเห็นนะรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เยอะแยะเลยพ น, นักงานการท่าเรือประท้วงไม่ให้ใช้ตู้คอนเทนเนอร์เพราะอะไรเคยแบกของเคยแบกกระสอบแบบลังแบบกล่องหากินด้วยการแบกกล่องอะ่ะสุดท้ายมันทนไม่ได้เรือสินค้าต่างประเทศเป็นที่เป็นคำขาดว่าถ้าเราไม่ยอมใช้เรื่องคอนเทนเนอร์นะ มันจะแมว เ, เรือมาเมืองไทยแนะเพราะไม่คุ้มเลยมาจอดทีหนึ่งเป็นวันๆ น, นะจอดทิ้งหลายวันก็ยังขนของเสร็จนะในสุดก็ถูกบีบนะต้องใช้พวกแบกหามเลยนี่หายไปหมดเลยยอมพยายามต้านไม่อยากปรับตัวไปไม่รอดนี่จะปรับตัวนี่ผัดซามันแรงนะต้องรู้ข้อมูลทั้งวันเลย เวลาข้อมูลมากระทบเนี่ยก่อนจะตัดสินใจเรื่องอะไรนะย้อนมาดูจิตสนิดหนึ่งเช่นมีข่าวแล้วนะข่าวล่ำลือมาทางลายของกลุ่มที่ทำงานว่าปีนี้ไม่มีบทนัดใจแฟบลงไปเลยเนะี่ยดูใจที่แฟบลงไปนะถ้าจะทำกรรมฐานแบบเดิมอ้ยไม่มีบทนัดจะมานั่งสมาธิไม่มีวันสงบอ่ะ ดูใจเข้าไปเลยเพราะนทุกวันเนี้ยสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนอะไรๆก็เปลี่ยนการเมืองก็วุ่นวายไม่รู้จักหยุดนิ่งเลยสมัยก่อนจอมพลสลิดปกครองก็สลิดอยู่กัแหละถนอมปกครองก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่เคยมีอะไรเปลี่ยนเลยอันนี้เปลี่ยนรายวัน<ม>ทุกอย่างที่เคลื่อนไหวรวดเร็วเนี้กรรมฐานที่เหมานะมันก็คือการดูจิตใจของเรา พอเรามีผัดษาได้ยินข่าวเรื่องนี้จิตเราเป็นยังไง ร, รู้ทันมีข้อมูลอันนี้มาจิตเราเป็นยังไง ร, รู้ทันตามองเห็นอ่านข่าวอ่านลายใจเราเป็นยังไง ร, รู้ทันแค่นี้เราก็ทําไม่ทันแลปฏิบัติได้ทั้งวันแล้วนะไม่มีเวลาเหลือแล้วและถ้าเราทำอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยมันคือเราปฏิบัติทั้งวันปฏิบัติได้ทั้งวันนะเพราะจิตเราเปลี่ยนตลอดเวลา เรจะไม่กังวลเลยว่าการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าจะก้าวหน้าเร็วมากเลยเพรา้เราทำในสิ่งที่เราทำได้ก็คือใช้ปัญญานำสมาธิกรรมฐานที่ใช้ปัญญานำสมาธิก็คือการดูจิตกรรมฐานที่ใช้สมาธินำปัญญาคือการดู ก, กายจะไม่มีกรรมฐานอีกชนิดหนึ่งใช้สมาธิกับปัญญาควบกัน อันนี้จะทำได้เฉพาะผู้ที่ชำนาญในฌานมีวสีในฌานวสีในฌานคือความชำนาญสีข้อชำนาญข้อเดียวก็ยังทำไม่ได้ชำนาญข้อแรกคือชำนาญในการเข้าฌานนึกจะเข้าสมาธิเมื่อไหร่เข้าได้ทันทีเลยต้องชำนาญอย่างนั้นนะชำนาญในการทรงอยู่ไม่ใช่อเข้าปุ๊บก็กระเด้งออกมาเลยบางคนเข้าได้เร็วนะ เข้าพู๊แต่ก็เด้งออกมาทรงอยู่ไม่ได้ไต้องชํานาญในการเข้าฌานชํานาญในการทรงอยู่นะชำนาญในการเดินปัญญาในฌานการเดินปัญญาในฌานเนี่ยจะทําได้ดีกับพู้ดูจิตเพราะในฌานเนี่ยถ้าเรามาย้อนมาดูกายเนี่ยจิตจะหลุดออกจากฌานในฌานเนี่ยเขาดูจิตกันนะดูองค์ฌานเช่นเห็นปิติเกิดขึ้นเห็นปิติดับไป เห็นความสุขเกิดขึ้นเห็นความสุขดับไปเห็นอุเบกขาเกิดข like so ึ้นเห็นอุเบกขาดับไปนี Marie ่เขาดูกันอย่างนี้ในฌานหรือเห็นบางสิ่งไหวตัวขึ้นมาแล้วก็ดับไปไม่รู้ว่าคืออะไรไม่มีความคิดเห็นสิ่งบางสิ่งไหวขึ้นมาแล้วก็ดับไหวขึ้นมาแล้วก็ดับเพรั้นจะเดิปัญญาในฌานเนี่ยหนึ่งต้องมีวสีในการเข้าฌานชํานาญในการเข้าฌานชํานาญในการทรงอยู่ชํานาญในการ จะเป็นปัญญาในฌานถ้าดูจิตได้เนี่ยจะทําได้ดนะีแล้วก็ชํานาญในการออกจากฌานการออกก็ต้องมีวสีนะจะออกไม่มีความชํานาญนี่ออกพรวดออกมาเนี่ยปวดหัวเลยนะเวลาเข้าฌานแล้วทุบออกมาเนี่ยมุนไปเลยเราะฉนั้นะต้องชํานาญอันนี้กรรมฐานชนิดนี้ปัญญาสมาธิควบกันเนี่ยพวกเราไม่ต้องพูดถึงหรอกเพราะเราเข้าฌานไม่ได้ ดูจิตที่ยังไม่ชํานาญ <Yeah. S 1> งั้นหาตูจิตให้ชํานาญนะแล้วจิตเข้าชาญได้เองนะจิตจะเข้าชาญเองใช้ปัญญานำไปเนี่ดูความเกิดดับไปเรื่อย ๆ, ๆแต่ต้องมีทุ้นฐานนะถือศีลห้าทุกวันทําในรูปแบบนะถ้าจเจริญสติในชีวิตไปจะมันอย่างเดียวเนี่ยไปไม่ไหวครับนะใจฟุ้งซ่านเกินไปทําในรูปแบบไม่ต้องเข้าชาญหรอกไหว้พระสวดมนต์อะไรให้ใจเข้าพูดออกทัวอะไรก็ทําไปเถอะ สงบผู้ช่างไม่สงบผู้ช่างทำไปเถอะนะถึงจุดหนึ่งมันสงบได้เองบางคนนะเข้าฌานครั้งแรกก็คือตอนที่จะเกิดโสดาปิมรักตอนจะเกิดระยะมรรคแล้วเพิเข้าฌานได้ครั้งแรกนั่นแหละไม่ต้องตกใจนะว่าเข้าฌานไม่ได้กายเนี่ยเหมาะกับพวกสรงฌานในอภิธรรมสอนไว้เลยเวทนาก็เหมาะกับพวกสรงฌานแต่เวทนายากกว่ากาย ต้องมีปัญญามากหน่อยจิตตานุปัสสนากัตมานุปัสสนาเหมาะกับพวกไม่ได้เล่นฌานเหมาะกับคนธรรมดาแต่จิตตานุปัสสนาทําง่ายทำานุปัสสนาทํายากกว่าต้องมีปัญญามากงั้นกรรมฐานที่ง่ายก็คือกายกับจิตแต่กายเนี่ยต้องทําฌานก่อนแล้ว ม, มาดูจิตเนี่ยดูไปเลยแล้วฌานเกิดทีหลัง งั้ไม่แปลกที่หลวงปู่ ด, ดูลจะบอกว่าต่อไปการดูจิตเจะรูปงเรืองในเมืองวันนี้มันมาถึงจุดนั้นแล้วถึงจุดนั้นแล้วตอนนี้กระทั่งสำนักที่เคยสอนกายเน้นแต่กายโจมตีเราแหลกลานเลยนะต้องดูจิตนะ่ะเดีนี้ก็เป็นคนคำสอนของครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆที่สอนดูจิตนะนะั้นแหละออกมาเต็มไปหมดเลยไม่ว่าองค์ไหนองค์ไหนไทยก็สอนดูจิตมาแล้วทางนั้นนะ่ะ แต่ว่ายุคนั้นคนไม่พร้อมที่จะเรียนอย่างหลวงพ่อนะนอกจากหลวงปู่ ด, ดนะูลย์แ้วหลวงพ่อเข้าหาครูบาจารย์องค์ไหนท่านก็สอนหลวงพ่อดูจิตทางนั้นนะกระทั่งหลวงตามหาบัวก็ยังสอนหลวงพ่อดูจิตใครคิดว่าท่านสอนแต่ดู ก, กายไม่ใช่หรอกท่านดูคนที่เรียนต่างหากคนที่เรียนหมอกอะไรท่านก็สอนอันนั้ น, นะนะ เังนนต่อไปนี้ไปดูจิตตัวเองนะเห็นความเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีผัสสะรู้เท่าที่รู้ได้อย่าไปตั้งจ้องจิตจ้องนี่งๆเฉยๆใช้ไม่ได้ะอาทุกคนไม่ต้องกราบหลวงพ่อนะหันหลังไปเตรียมรับพรใครชอบรับพรก็รับซะจะนะาเขาขลังนะ